บุ๊กทูสองเรนดูสมาชิกครอบครัวกุดุ้มบัสสับพิลุกปูตาตาเตียย า, ยายายบ้ามะนายนมะ อัมมาเขาและเธออัตโนมริยุอามิพ่อนา น, นาตันริแม่อัมมาตัลลีเขาและเธออัตโนมริยุอามิลูกชาย กูดกูลูกสาวกูตุรุขเขาและเธออัตโนมาริอามพี่ชายน้องชายอันไหนยพี่สาวน้องสาวอักกาเจลลีสุดริี เขาและเธออตานมาริยออาเมลุงอานาบาบายมาวยะป้าอานาอัตตปินนีเขาและเธออตานมริยออาเม เราเป็นครอบครัวเดียวกันมีมันเต้าบะกุตุ้มบ่มครอบครัวที่ไม่เล็กกุตุ้มบ่มชิ้นนาดิกาดุครอบครัวใหญ่กุตุ้มบ่มเป็ดดิดี